วันนี้เป็นวันเสาร์ที่3 ม, มิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราจะมารำลึกถึง พระพุทธเจ้ากันพระพุทธเจ้าผู้ทรงก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นวันที่คล้ายวันพระสูตรคือวันเกิดวันตัดสรุปคือวันวันรุเป็นพระพุทธเจ้าและวันสเสด็จดับขันธ์ปาลนิพพานวันที่ทรงจากโลกนี้ไป เป็นวันที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหกเหมือนกันการนับลึกถึงพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่ <c oughs> มีคุณมีประโยชน์กับพวกเราและอนุชนนุ่นหลังที่จะตามมาเพื่อเราจะได้รู้ความสำคัญความวิเศษ ความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นมหาบุรุษเป็นบุคคลที่วิเศษกว่าบุคคลทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะไม่มีใครที่จะมีความรู้ความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้า เป็นความรู้ความสามารถที่ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองต้องเป็นคนที่มีบารมี <c oughs> มีความรู้ความฉลาดความสามารถอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถที่จะรู้และสามารถทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้และได้ทรงกระทำน สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้และได้ทรงกระทำนั้นคือการศึกษาและการปฏิบัติเพื่อทําให้จิตใจของพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏขึ้นในใจของพระพุทธเจ้าหน้าของสันโลก ทั้งหมดอย่างพวกเราพวกเราทุกคนนี้ไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่าเราไม่มีความทุกข์ใจทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่จะรวยหรือจะจนเป็นผู้มียศมีศักรหรือเป็นบุคคธรรมดาล้วนมีความทุกข์ใจด้วยกันทุกคน และก็มีกันมาตั้งแต่เกิดและก็จะมีต่อไปจนตายไปถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ไดพ้พบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ทางใจของพวกเรานี้ให้หมดสิ้นไป การกาจัดความทุกข์ทางใจนี้นอกจากจะทําให้ใจเราไม่ทุกข์แล้ว <c oughs> ยังทําให้ใจของเราที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในตายพบอยู่ในขณะนี้จะได้สิ้นสุดลงจะได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายแบบซ้ำซากแบบที่ไม่มีวันสิ้นสุดและ การเข้าถึงพระนิพพานคือสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นสวรรค์ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเป็นสวรรค์ที่ปราศ จ, จากความทุกข์เป็นสวรรค์ที่มีแต่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบ ได้ทรงปฏิบัติได้ทรงบรรลุถึงแล้วหลังจากนั้นก็นำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ได้ทรงปฏิบัติได้ทรงเห็นได้ทรงบรรลุถึงมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สร์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายใครก็ตามที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนแล้ว ถ้าเกิดศรัทธาก็จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติและเมื่อได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วไม่ช้าก็เร็วผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการบรรลุถึงพระนิพพานก็จะเป็นผลที่ตามมาปรากฏเป็นพระอาหารหันตสาวก ของพระพุทธเจ้านับเป็นจำนวนมากเป็นผู้ที่ช่วยพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่สั่งสอนวิธีการดับทุกข์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปทำให้พระพุทธศาสนานี้มีมาอยู่ได้ถึง 2,500 กว่าปีแล้ว ก็เพราะว่ามีการได้ศึกษาและมีการนำเอาไปปฏิบัติและได้บรรลุมากผลนิพพานขึ้นมากันเมื่อได้บรรลุแล้วก็รู้วิธีที่จะสอนผู้อื่นต่อไปก็จะนำเอาไปสอนให้กับผู้ที่สนใจใครสนใจใครอยากจะรู้ใครอยากจะพ้นทุกข์ถ้ามาศึกษามาถามก็จะสอน เมื่อสอนแล้วให้นำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนไม่ขึ้นอยู่กับการกับเวลาธรรมะคาสั่งคาสอนและการปฏิบัติธรรมะคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ท่านเรียกว่าเป็นอากาลิโกคือไม่ขึ้นอยู่กับการเวลา ไม่มีวันเสื่อมสภาพไม่มีวันเสื่อมสมัรถภาพหรือสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สามารถใช้ดับความทุกข์ที่พู้เจ้าได้ทรงใช้ได้ในสมัยพุทธกาลและก็เป็นสิ่งที่สามารถใช้ดับความทุกข์ได้ในสมัยปัจจุบันนี้และในสมัยอนาคตที่จะตามมาต่อไป เป็นอาการวิโกไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาไม่เหมือนกับสิ่งที่เราบริโภคกันเช่นพวกอาหารและยาต่างๆเรามักจะมีวันที่ประทับติดไว้กับอาหารและยาว่าควรบริโภคก่อนวันที่เท่านั้นเท่านั้นเพราะว่าถ้าหลังจากเกินวันที่นั้นไปแล้ว อาหารและยาที่จะเอามารับประทานนี้อาจจะไม่เกิดผลประโยชน์และอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้เพราะอาหารหรือยานั้นได้เสื่อมสมรรถภาพไปแล้วแต่ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันสั่งไม่มีวันเสื่อมสมรรถภาพไม่มีวันหมดอายุเป็นอากาลิโก นี่คือสิ่งที่วิเศษสิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนานี้อยู่คู่มากับโลกนี้ได้ถึง 2,500 กว่าปีแล้วและจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆตนกว่าจะไม่มีผู้ที่ให้ความสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่อไป เมื่อถึงยุคนั้นเมื่อถึงเวลานั้นก็จะไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต่อไปก็จะต้องรอให้มีการเกิดของพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ในข้าวต่อไปให้มีพระพุทธเจ้าที่เหมือนกับที่เรามีอยู่ในขณะนี้ได้มาตรัสรู้ธรรมมันวิเศษ ที่จะใช้ในการดับความทุกข์ของใจที่จะทำให้ใจได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบในสังสารวัฏและทำให้ใจได้ไปถึงพระนิพพานได้ mm hmm. ก็จะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้อยู่เรื่อยๆตามลำดับ mm hmm. แต่ระยะเวลาห่างกันของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ จะเป็นเวลาที่ห่างกันมากจนเราไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าเป็นกี่ล้านกี่แสนล้านปีทางสมัยโบราณท่านใช้คำว่ากับคำว่ากับนี่เป็นเวลาที่ไม่สามารถที่จะนึกได้ว่ามันยาวขนาดไหนท่านเปรียบเทียบว่าเวลาหนึ่งกับนี้ก็เหมือนกับ ถ้าทุกร้อยปีเราเอาผ้าผืนหนึ่งมามาลูบภูเขาพาัสุเมรนให้ทำอย่างนี้ไปทุกร้อยปีหนึ่งร้อยปีก็เอาผ้ามารูปเขาพาัสุเมรนหนึ่งครั้งทำไปอย่างนี้จนกว่าเขาพัสุเมรนจะลาบหายไปอันนั้นลหละคือเวลาหนึ่งกลับด้วยกัน และการที่จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเกิดอีกครั้งหนึ่งนี้ก็ต้องใช้เวลาหลายกับด้วยกันแต่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปมาประกาศพระธรรมคาสอนให้แก่สัวรโลกอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่าระยะเวลาจะห่างไกลกันมากและในช่วงเวลาที่ไม่มีพระธรรมคาสอนไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนา มานำพาสัตว์โลกให้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในช่วงนั้นสัตว์โลกก็ต้องก็จะต้องทนอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆจะไม่มีวันที่จะออกจากกองทุกข์ได้ด้วยตนเองจะต้องรองการตัด ส, ร, ร, ดสร้การตัดสูตรการประสูติและการตัดสร้ ข, ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะเอาคา รู้เอาวิธีการดับความทุกข์ของใจนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกไปเรื่อยๆพวกเรานี้ถือว่าเป็นพวกที่มีบุญมีโชคมีวาสนาการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถึงแม้จะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตาม แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเหมือนกับได้พบกับพระองค์โดยตรงถ้าเราได้พบกับพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมือนกับพระพุทธเจ้าสามารถที่จะสั่งที่จะสอนที่จะนำพาให้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้น ได้หลุดความได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันได้อย่างแน่นอนโอกาสอย่างนี้เป็นโอกาสที่ยากที่จะปรากฏขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งการที่เราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์กันสองเราก็ต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ ไม่ได้อยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้วิธีการดับของความทุกข์ว่าจะดับได้อย่างไรเราก็จะต้องอยู่กับความทุกข์ต่อไปหรือว่าถ้ามาเกิดในโลกนี้แต่ไม่ได้เป็นมนุษย์<ม>เช่นมาเป็นสุนัขเป็นแมวแล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนา อย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะสุนัขหรือแมวนี้ก็จะไม่สามารถเข้าถึงคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นภาษาของมนุษย์นั่นเองมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถที่จะรับประโยชน์จากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ พวกเราคนนี้จึงถือว่าเป็นพวกที่โชคโชคดี <Yeah. S 1> เหมือนกับคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง <Yeah. S 1> ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและได้เป็นมนุษย์ <Yeah. S 1> ถ้าเราได้เป็นมนุษย์เราก็จะสามารถศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เ <Yeah. S 1> มื่อเราได้ศึกษาเราก็จะได้รู้วิธีของการดับความทุกข์ว่าดับได้อย่างไร เมื่อเรารู้วิธีแล้วเราก็นำออกไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจของเรานี้ก็จะหายไปหมดจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปเราก็จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปด้วยเราก็จะอยู่ที่นิพพาน อยู่ที่ที่เดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้อยู่กันในขณะนี้พระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนท่านก็มีดวงจิตดวงใจเหมือนพวกเราต่างกันตรงที่ดวงจิตดวงใจของท่านนั้นเป็นดวงจิตดวงใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส ต, ตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์ ตัวที่สร้างภ พ, พชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดให้กับใจเท่านั้นเองส่วนใจของพวกเรานี้ยังเป็นใจที่ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่มีกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองครอบงาอยู่จึงทำให้ใจของเรานี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในใตายภพอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องทุกข์อยู่กับการที่ได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย ต่างกันแค่ตรงนี้ใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้านี้เหมือนกันคือไม่มีวันตายไม่เหมือนกับร่างกายของพวกเราหรือของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เหมือนกันแต่ร่างกายของเราร่างกายของทระเจ้าก็จะต้องต้องสลายหายไปกลับคืนสู่สภาพเดิมก็คือกลับสู่ธาตุสี่ คือธาตุดินน้ำลมไฟไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ดีร่างกายของพวกเราก็ดีจะต้องกลับคืนสู่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเพราะว่าร่างกายนี้ทํามาจากธาตุสีนั่นเองทํามาจากธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟเมื่อมารวมตัวกันก็ปรากฏให้มีร่างกายที่มีอาการสาสองขึ้นมา มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วก็อยู่ในโลกนี้ไปได้สักระยะหนึ่งไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนใหญ่ร่างกายก็จะต้องสิ้นสุดลงร่างกายของเรากับของพระเจ้าก็เหมือนกันต้องกลับกืนสู่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันใจของเรากับใจของพระเจ้าก็เหมือนกันเป็นใจที่ไม่มีวันตายเหมือนกัน ต่างกันตรงที่ใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองตัวที่พาให้ใจนี้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆตัวที่มาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจอยู่ในขณะนี้ในใจของพระพุทธเจ้าและในใจของพระอาหารหันตสาวกนี้ไม่มีกิเลสตัณหาอยู่หลงเหลืออยู่แล้ว เพราะว่าได้รับการชำระจากการปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบนั่นเองธรรมที่จะกำจัดต้นเหตุของความทุกข์คือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาเมื่อกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาได้ถูกกำจัดด้วยธรรมที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรูวแล้วใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นใจที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกต่อไป เป็นใจที่ไม่มีความทุกข์อยู่อยู่ในใจอต่อไปนี่แหละก็คือเรื่องราวของใจของพวกเราและใจของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีวันตายต่างกันตรงที่มีทุกข์หรือไม่มีทุกข์ทนั้เองใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระลันตสาวกไม่มีความทุกข์แล้วไม่มีการไปเวียนว่ายตายเกิดแล้ว แต่ใจของพวกเรานี้ยังมีความทุกข์อยู่และยังยังจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วนี้ใจของเราก็จะยังอยู่ต่ออยู่ในสภาพที่ต่างกันขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราได้ทำกันถ้าใจมีบุญมากกว่ามีบาปในขณะที่ไม่มีร่างกาย ใจก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขหล่อเลี้ยงใจที่มีความสุขหล่อเลี้ยงหรือดวงวิญญาณที่มีความสุขหลอเลี้ยงเราก็เรียกว่าสวรรค์หรือเทพเทพหรือพรมส่วนในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญใจของเราก็จะมีความทุกดวงวิญญาณของเราก็จะมีความทุกขุมห่ออยู่ ใจที่มีความดวงวิญญาณที่มีความทุกข์หุ้มห่ออยู่แล้วก็เรียกว่าอบาย mm hmm. เช่นเป็นดวงวิญญาณที่เป็นเปรกบ้าง mm hmm. เป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้าง mm hmm. และหลังจากที่บุญหรือบาป ท, ที่เราได้ทํานั้นมันหมดกําลังลงแล้วใจของเราก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ต่อไปไปเกิดใหม่ได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่ เมื่อมาเกิดแล้วเราก็ต้องมาพบกับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดภากจากของที่เราลักการพบกับของที่เราไม่ชอบเป็นต้นเราก็จะต้องทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อยๆและหลังจากที่ตายไปก็ไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆต่อไปนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของใจ ที่ยังไม่ได้รับการชำระไม่ได้รับธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่พาให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดและสร้างความทุกข์ให้กับใจมาอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่ใจของพวกเราเป็นอยู่ในขณะนี้ แต่โชคดีที่เราได้มาพบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนวิธีชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากตา่างๆให้มันหมดไปจากใจของพวกเราและเมื่อมันหมดไปจากใจของพวกเราแล้วใจของเราก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่ไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไป เป็นใจที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เพราะมีการมาเกิดของพระพุทธเจ้ามีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ม, มีการเผยแผ่พระธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้มาให้แก่สรรโลกอย่างพวกเรา วันนี้เราเห็นว่าเป็นวันที่ตรงกับวันคล้ายวันประสูติวันตัดสรุและวันเด็จดับขันธปรรณิพานเราก็เลยมาล้ำลึกถึงคุณนันวิเศษของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่จะได้ที่เราจะได้เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเราต่อไปคือเราก็จะมาศึกษา เรียนรู้แบบคร่าวๆ ว, ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครนะเกิมดมาได้อย่างไรและตัดทะลุทำอันประเสริฐขึ้นมาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ก็เป็นลูกหรือเป็นเอารสของพระเจ้าแผ่นดินเกิดจากพระบิดาและพระมารดา เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหลังจากที่ได้ประสูติมาเจ็ดวันพระมารดาก็จะด็จสวรรคตไปเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยมีแม่เลี้ยงคือมีน้องสาวของของแม่มาเลี้ยงเป็นแม่ตอบแทนต่อไปเวลาที่ผู้เจ้ามาเกิดนั้นทรงมีรัศมีเป่งปัง ทำให้เกิดความอัศจรรย์ใจต่อพระราชบิดาเป็นอย่างมากจึงอยากจะรู้อนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าเมื่อโตขึ้นมาแล้วจะเป็นอะไรต่อไปก็เลยได้เชิญโหราจาร์หมอดูมาดูดวงชะตาของเจ้าชายสิทธัตถะว่าเมื่อโตขึ้นแล้วจะได้เป็นอะไรกัน ก็มีโหราจาร์หลายรูปด้วยกันที่มีความเห็นเหมือนกันว่ามีอยู่สองทางด้วยกันของพระพุทธเจา้าของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะว่าถ้าอยู่ครองราชเป็นกษัตริย์ก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาจะเป็นพระมหาจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ mm. เผยแผ่อนุภาพไปสู่ดินแดนต่าง แต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระบรมศาสดาได้เป็นศาสดาของของนักบวชทั้งหลายทั้งปวงแต่มีอยู่มีอยู่โหราจาร์อยู่รูปหนึ่งที่มีเห็นต่างกันเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นว่าเจ้าชายสิทธัตถานี้โตขึ้นแล้วจะต้องออกบวชนาจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไป เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เมื่อพระราชบิดาได้ยินได้ฟังถึงคำคำทำนายของโคราจาร์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็เลยทรงมีความปรารถนาที่อยากจะให้เจ้าชายสิทธัตถานี้ครองราชไปนานๆวิธีที่จะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่คลองราชไปนานๆก็คือ ต้องอยู่ห้อมล้อมไปด้วยความสุขต่างๆห้อมล้อมไปด้วยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย<ม>จึงทรงสร้างประสาทสามฤดู<ม>ให้เจ้าชายสิทธัตถะประทับอยู่และให้มีมีบริสัท์บริวารมาคอยนับใช้มาคอยให้ความสุขและทรงห้ามไม่ให้ คนแก่คนเจ็บหรือคนตายเข้าไปในพระราชวงังเพราะไม่ต้องการให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นความทุกข์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เราทุกคนเมื่อเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายกันไปซึ่งเมื่อใดก็ตามใครที่เห็นความแก่เห็นความเจ็บความตายนี้ ก็ที่ก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาด้วยกันทุกคนจึงไม่อยากให้เจ้าชายมีความทุกข์ใจเพราะว่าถ้ามีความทุกข์ใจแล้วก็อาจจะทำให้ไปบวชได้นั่นเองจึงทรงห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวงังและทรงห้ามไม่ให้เจ้าชายศิทธิัตออกไปนอกวงังให้อยู่แต่ในวงัง ถ้าออกไปก็ต้องมีการเตรียมสถานที่ไว้ต้องไม่ให้มีคนแก่คนเจ็บคนตายเวลาที่ออกไปกระทำภารกิจต่างๆจะ mm hmm. เห็นแต่คนหนุ่มคนสาว mm hmm. เห็นแต่สิ่งที่สวยงาม mm hmm. แต่ความรู้ความอยากจะรู้ของเจ้าชายสิทธัตถานี้ mm hmm. อยากจะรู้สภาพความเป็นจริงของชีวิตของคนนอกวังว่าเป็นอย่างไร อยากจะออกไปแบบที่ไม่ให้ไม่มีใครเตรียมตัวไว้ก่อน mm hmm. ก็เลยทรงทรงแอบหนีออกไปเที่ยวนอกนอกวงังโดยมีมหาเล็กพาไปพ mm hmm. อออกไปนอกวังพอไปเดินเที่ยวดูก็ได้เห็นคนนอน mm hmm. เห็นคนแก่เดินมาคนหนึ่ง คนชายจะลาหลังค้อมเดินมาถือไม้เท้าเดินมาด้วยความยากลําบากพระองค์ไม่เคยเห็นคนแบบนี้มาก่อน<ม>ก็แปลกใจก็ถามมหาเล็กว่าคนนี้เขาเป็นใครเขาถึงเป็นอย่างนี้ ม, มหาเล็กก็ตอบว่าเขาก็เป็นคนเหมือนเราแต่ถ้าเขาอยู่ในโลกนี้ไปนานๆแล้วร่างกายของเขาก็จะเริ่มผ่อนแอเลย ความแข็งแรงของร่างกายก็จะน้อยลงไป<ม>จนไม่สามารถที่จะเดินเหินเป็นปกติอย่างพวกเราได้มแม้แต่พระองค์เองต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน<ม>พอได้ยินว่าตัวเองตัวเจ้าชายศิทิธรรมเองนี้จะต้องกลายเป็นคนแก่ในวันข้างหน้าและจะต้องเดินเดินหลังข้อมถือมาถือไม้เท้าก็ทําให้เกิดความ ไม่สบายใจขึ้นมาอ น, นี่คือความทุกข์ใจอันแรกที่ได้เห็นจากการได้เห็นคนแก่แล้วพอเดินไปอีกสักระยะหนึ่งก็เห็นคนนอนอยู่หน้าบ้านนอนร้องโอดควรครางด้วยความเจ็บปวดทุรนทุรายก็ถามมหาเล็กว่าคนนี้เขาเป็นอะไรเลยคนนี้เขาก็เป็นเหมือนพระองค์นี่แหละร่างกายเมื่อก่อนของเขาก็แข็งแรงอยู่สุขอยู่สบาย แต่วันหนึ่งร่างกายของเขาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพอร่างกายเขาเจ็บว่าะไข้ได้ป่วย <_ S 1> <ๆ>ก็เกิดความทุกข์ทรมารดิ้น์ลนอย่างที่พระองค์ทรงเห็นนี่แหละต่อไปพระองค์ก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ทำให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกเมื่อรู้ว่าต่อไปวันข้างหน้าร่างกายของพระองค์ก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกัน จึ่งทำให้กระองค์นี้ไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็เดินต่อไปอีกระยะหนึ่งก็เห็นขบวนแห่ซากศพเห็นเห็นหาศพคนตายจะเอาไปทำชาปนกิจก็ถามว่าคนนี้เขาเป็นอะไรถึงต้องแบกเขาเขาเดินเองไม่ได้หรือไงคนนี้ก็เป็นเหมือนพระองค์นี้แหละแต่วันหนึ่งเขาก็จะหยุดหายใจ เมื่อร่างกายเขาหยุดหายใจแล้วร่างกายก็ตายถ้าเก็บไว้ที่บ้านมันก็จะเน่ามันก็จะส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีการเอาไปชำระเอาไปกําจัดอเอาไปทําพิธีชาปนกิจนร่างกายของพระองค์ก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกัน มราได้ยินได้ฟังว่าพราะองค์นี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความสุขที่เคยได้มีห้อมล้อมในในวังนี้หายไปหมดเลยเพราะนั้นใจนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความไม่สบายใจแะต่อมาก็ทรงก็เดินเดินต่อไปเพื่อจะเสด็จกลับเข้าเข้วาวังก็เห็นชายคนหนึ่งเดินมาชายคนนี้ แต่งกายไม่เหมือนคนทั่วไปเพราะเป็นนักบวชแต่งกายในสภาพของนักบวชก็ถามเขาว่าชายคนนี้เขาเป็นใครเขาก็บอกว่ามหาเลกก็ตอบว่าเขาเป็นนักบวชเป็นคนที่ไปหาวิธีที่จะทำให้เขาไม่ต้องทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายเป็นคนที่ไปหาวิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป เมื่อพระองค์ได้ทรงได้ยินก็เกิดมีความรู้สึกประทับใจว่ายังมีโอกาสมีคนที่ยังแสวงหาวิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือเทวทูตสี่ที่ได้มาได้มาเอาสารมามาเตือนเจ้าชายสิทธัตถะที่ยังอยู่ที่ถูก ลอมรอบด้วยความสุขของชีวิตให้เห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตของคนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วนี่ก็จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมานี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเทวทูตสคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชอันเป็นเป็นลิมิตหมายหรือเป็น เป็นสารหรือเป็นข่าวข่าวสารที่จะมาบอกเจ้าชายสิทธัตถะให้รู้ถึงสภาพของความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของพระ อ, องค์นั้นจะต้องเป็นอย่างไรและทางออกจากการที่จะต้องมาเจอกับความทุกข์เหล่านี้จะต้องทำอย่างไรก็คือจะต้องออกบวช น, นั่นเองเมื่อพระ อ, องค์ได้ทรงเห็นความจริงของชีวิตแล้วพระ อ, องค์ก็เลยมี ความรู้สึกที่อยากจะออกบวชเพราะรู้ว่าถ้าอยู่ไปในวังไปเรื่อยๆร่างกายก็จะต้องแก่ลงไปแล้วก็จะต้องมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องเจอกับความตายซึ่งเป็นสิ่งที่จะสร้างความทุกข์ใจให้กับพ่อองค์เป็นอย่างมากมจึงคิดอยากจะออกไปบวช ด, ดูเพื่อเพื่อที่จะได้หาวิธี กำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเมื่อได้ทรงคิดอย่างนี้เรื่อยๆพอมาถึงคืนที่พระมเหสีได้คลอดพระราโอรถพอมหาเล็กเอาข่าวมาเล่าให้ฟังพระองค์ก็ทรงพระองค์ก็ทรงตัดอุทานออกมาว่าลาหุน แตลว่าบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วคือลูกนี้แหละเป็นหุบเป็นบ่วงที่จะรัดคอพ่อแม่ให้อยู่กับลูกให้เลี้ยงดูลูกไปนานๆถ้าพระ อ, องค์ไม่ดิ้นหลุดออกจากบ่วงนี้พระ อ, องค์ก็จะไม่ไม่สามารถออกบวชได้ถ้าจะออกบวชก็ต้องตัดสินใจ อ, ออกไปในคืนนั้นเลย และจะไม่ต้องไม่ไม่ไปดูหน้าตาของลูกด้วยเพราะถ้าไปเห็นหน้าตาของลูกแล้วก็อาจจะเกิดบ่วงรัดคอได้ถึงตัดสินพระไทยที่จะหนีออกจากวังในคืนนั้นโดยไม่บอกใครเลยมีมหาเล็กไปส่งที่ชายแดนพอพ้นจากชายแดนมหาเล็กก็เอาม้ากลับไปองค์ก็ส่งเดินด้วยเท้าต่อไปไป ไป บ, บวชไปเป็นนักบวชไปศึกษาอยู่กับผ้าอาจารย์ต่างๆศึกษาวิธีอยู่แบบนักบวชคืออยู่ด้วยศีลแล้วก็อยู่ด้วยความมักน้อยสันโดษอยู่แบบขอทานอยู่แบบผู้ที่ไม่ต้องการความสุขทางโลกอีกต่อไปต้องการที่จะหาความสุขทางธรรม ทางการปฏิบัติจิตใจคือการทำสมาธิทำจิตใจให้สงบเพราะเวลาที่ทำให้จิตใจสงบได้นั้นจิตใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายแต่พอออกจากสมาธิมาจิตใจก็พอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ยังเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ พรอง์ก็ทรงได้ศึกษาจากครูบาจารย์ที่สอนวิวิชาของสมาธิวิววธีเข้ารูปประชานระดับต่างๆวิธีเข้าอารูปประชานระดับต่างๆก็เห็นว่าการใช้สมาธินี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของการดับความทุกข์ใจเวลาใจทุกข์กับเรื่องอะไรพอทําใจพอนั่งสมาธิทําใจให้สงบความทุกข ก็จะหายไปชั่วคราวแต่เวลาหลังจากออกจากสมาธิมาพอออกมาสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาใหม่ซ mm hmm. ึ่งพระองค์เองก็ไม่ทราบว่าทำไมมันยังเกิดขึ้นมาเพราะว่าในขณะที่อยู่ในสมาธิ mm hmm. ความทุกข์มันไม่มีแต่พอออกจากสมาธิมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาใหม่ ไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆว่าจะทำอย่างไรให้ความทุกข์นั้นหมดไป <c oughs> โดยที่เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธินี้ก็ไม่มีอาจารย์รูปไหนรู้วิธีอาจารย์ทุกรูปก็รู้วิธีดับความทุกข์ด้วยการเข้าไปในสมาธินแต่พอออกจากสมาธิมาความทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้ว่าอะไร เป็นสาเหตุที่ทำให้ใจต้องทุกข์กับเรื่องราวาต่างๆเมื่อไม่มีอาจารย์ที่จะสอนวิธีดับความทุกข์โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิว่าทำอย่างไรพระองค์ก็เลยต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกจนในที่สุดก็ได้รับคำตอบได้เห็นอริยสัจสี่ เห็นความจริงของความทุกข์ว่าเหตุที่ทำให้ใจทุกข์นี้ก็คือความอยากต่างๆนั่นเองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเรียกว่ากามาตัะหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากมีนี่เรียกว่าวเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่เรียกว่าวิภาวะตัณหาพอเห็นแล้ว ถ้าต้องการที่จะให้ความทุกข์หายไปก็ให้หยุดความอยากเหล่านี้เสียและการที่จะดับความทุกข์เหล่านี้ได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือต้องมีศีลมีสมาธิเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีปัญญาปัญญาก็คือการเห็นสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นไตรลักษ ว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของชั่วคราวมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเป็นไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันอยู่ยั่งยืนถาวรไปได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศที่ไม่มีใครเป็นคนที่จะป่อยคอยสั่งคอยควบคุมดินฟ้าอากาศได้ของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นความทุกข์ ที่เกิดขึ้นที่ใจก็เพราะเกิดจากความไม่เข้าใจธรรมชาติเหล่านี้คิดว่าจะสามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เช่นคิดว่าเราจะสามารถควบคุมบังคับร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้แต่ทำอย่างไรก็ไม่สามารถทำได้มีคนศึกษาวิธีการต่างๆว่าจะทำยังไงไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ร่างกายตาย ก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในวิสัยของใครที่จะมาทำให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ก็เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เองนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบด้วยปัญญาว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก ให้สิ่งที่มันเป็นอย่างนี้ไม่ให้มันเป็นอย่างนี้เช่นความอยากไม่ให้ร่างกายแก่มันก็เลยทําให้ใจทุก์เวลาเห็นร่างกายแก่ลงไปความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีความอยากไม่ตายพอคิดว่าเราจะต้องตายพอร่างกายจะต้องตายใจก็จะต้องทุกข์ขึ้นมาทันที ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดรับหยุดความอยากการจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นความจริงเห็นความจริงว่าร่างกายมันต้องแก่แน่ๆไม่มีทางเรียกเลี่ยงได้ร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยลวงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ร่างกายจะต้องตายล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ <Gust> ถ้าเห็นอย่างแท้จริงเห็นอย่างสม่ำเสมอเห็นตลอดเวลา พอเวลาร่างกายแก่ก็ไม่เกิดความอยากไม่แก่เพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้พอเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้เกิดความอยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายจะต้องตายก็ไม่มีความอยากที่จะไม่ตายถ้าเห็นด้วยปัญญาแบบนี้ตลอดเวลาความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นมอันนี้แหละเครื่องมือที่จะมาทําให้ใจ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หยุดความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้ก็คือปัญญาต้องเห็นตายลัษณ์ตลอดเวลาต้องเห็นความแก่ความเจ็บความตายตลอดเวลาไม่หลงไม่ลืมและเมื่อเวลาเกิดเหตุการ์ปรากฏขึ้นมาก็จะไม่เกิดความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย พอเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่แหละคือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบก็คือการเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากและการจะดับความอยากได้จะต้องมีปัญญาปัญญาก็คือการเห็นใจรักษณเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่แน่วไม่ถาวรของสิ่งต่างๆ เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไ ป, ไปควบคุมบังคับได้ถ้าไปอยากจะให้มันเป็นไปตามความอยากมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อมันไม่สามารถเป็นไปตามความอยากได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องหยุดความอยากเสียต้องยอมรับกับสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเมื่อมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา ย่ามมีการดับไปเป็นธรรมดา <c oughs> ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงสัจธรรมความจริงอันนี้ได้เช่นร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องแก่เป็นธรรมดาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาจะต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคน ถ้ายอมรับความจริงไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ใจก็จะไม่มีจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายท่ามกลางความแก่ความเจ็บความตายเวลาร่างกายแก่ก็รู้สึกเฉยเฉยเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้สึกเฉยเฉยเวลาร่างกายตายก็รู้สึกเฉยเฉยเวลาสูญเสียสิ่งที่รักไปก็จะรู้สึกเฉยเฉย เวลาที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ชอบก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนถ้าใจมีปัญญาและมีสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนด้วยคือถ้ามีปัญญาแต่ถ้าไม่มีสมาธิใจก็จะวางเฉยไม่ได้ดังนั้นก่อนที่จะใช้ปัญญาได้ก็ต้องฝึกทำใจให้เฉยก่อนวิธีทำใจให้เฉยก็ต้องทำใจให้เข้าสมาธิ ให้เข้าสู่ฌานขั้นที่สี่ที่มีอุบเบกขาคือความวางเฉย<ม>ถ้ามีการวางเฉยได้แล้วแล้วพอมีปัญญารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราห้ามมันได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการดับไปไม่ช้าก็เร็ว ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่ดับต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงการจะปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงได้ก็ต้องมีใจที่เป็นอุเบกขาใจที่มีสมาธินั่นเองนี่คือเครื่องมือในการดับความทุกข์คือสมาธิและปัญญาและการที่จะมีสมาธิเกิดขึ้นมาได้ก็จําเป็นที่จะต้องมีการรักษาศีล เพราะถ้าไม่มีการรักษาศีลแล้วใจจะไม่มีกำลังที่จะมาฝึกสมาธิมานั่งสมาธิได้จะไม่มีเวลาเพราะว่าใจก็จะไปทำอะไรทางทางตาหูจมูกลิ้นกายคือการไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะ<อ>ก็จะไม่มีเวลาและไม่มีกาลังที่จะมาฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้ ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะสร้างปัญญาสร้างสร้างสมาธิจำเป็นที่จะต้องมีการรักษาศีลกันก่อนเบื้องต้นก็ ร, รักษาศีลห้าไปก่อนแล้วก็ฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกปัญญาควบควบคู่ไปด้วยกันได้แต่จะได้เป็นส่วนส่วนย่อยถ้าต้องการให้มีมากขึ้นก็ก็ต้องรักษาศีลเพิ่มมากขึ้น ก็คือรักษาจากศีลห้าก็ต้องเพิ่มเป็นศีลแปเพราะเมื่อมีศีลแก็จะได้มีการยุติการทำกิจกรรมทางกามฉันทะคือทางตาหูจมูกนิ้นกายลงไปเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปใช้กับกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้มาให้กับการสร้างสมาธิและสร้างปัญญานั่นเอง ผู้ปฏิบัติเมื่อเริ่มปฏิบัติใหม่ๆก็รักษาแค่ศี่ห้าก็พอ ร, รักษาศี่ห้าก็นั่งสมาธิได้จเจริญปัญญาได้พิจารณาตายรักได้แต่จะพิจารณาไม่ได้มากไม่ได้ต่อเนื่องถ้าอยากจะพิจารณาให้มากให้ต่อเนื่องนี้ก็จําเป็นที่จะต้อง <c oughs> เพิ่มศีนจากศีห้าจากศีห้าไปเป็นศีนแปดเราก็จะได้มีเพิ่มเวลาการการปฏิบัติสมาธิและการปฏิบัติปัญญา ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับนะเพราะการปฏิบัตินี้จุดสําคัญของการปฏิบัติก็คือการทำให้ใจนี้เห็นความจริงอย่างต่อเนื่องนะเห็นเห็นอริยสัจเห็นตายรักอย่างต่อเนื่องไม่หลงไม่ลืมเช่นไม่ลื ม, ลมลความแก่ไม่ลืมความเจ็บไม่ลืมความตายกันนะ แ, ตแต่ถ้าเราไม่มีการปฏิบัติไม่มีการพิจารณาอยู่เรื่อย เรามักจะลืมกันเรามักจะลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายกันเพราะเราจะเอาเวลาความคิดของเราไปใช้กับเรื่องราวอย่างอื่นเช่นเรื่องราวการทำมาหากินเรื่องราวการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์จะไปกินที่ไหนดีไปดื่มอะไรที่ไหนดีไปเที่ยวที่ไหนดีไปดูอะไรดีไปฟังอะไรดีถ้าใจอยู่กับความคิดเหล่านี้ ใจก็จะลืมเรื่องความแก่ความเจ็บ Ralph. ความตายได้ offenses. แล้วพอเกิดไปเจอความแก่ความเจ็บขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็จะท้อทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะจะไม่รู้วิธีปฏิบัติกับความแก่ความเจ็บความตายว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะไม่ทุกข์กับมันจะไม่ทุกข์กับมันก็ต้องมีความรู้เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายอยู่ตลอดเวลารู้ว่าร่างกายของเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วนี้ ก็จำเป็นที่จะ <t ries> ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกัน <t ries> แต่ถ้าเราเอาเวลาของเราไปใช้กับการทำมาหากินหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกลิ้นกาย <t ries> เราก็จะไม่มีเวลามานึกถึงความแก่ความเจ็บความตายกันเราก็จะลืมความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็จะคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันพอถึงเวลาที่จะเจอความแก่ความเจ็บความตายใจของเราก็จะทุกข์กัน นี่คือความสำคัญของการปฏิบัติการปฏิบัตินี้ไม่ใช่ให้รู้เพียงแค่คิดหนเดียวคิดว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็พอมันไม่พอหรอกพอเราไม่คิดปับ๊บมันก็เหมือนเราลืมไปหรือว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเังนั้นเราต้องมีเวลาคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาคิดไปจนกว่าเราจะไม่ลืม เราจะจําได้ตลอดเวลาว่าร่างกายของเรานี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันถ้าเราสามารถปฏิบัติจเจริญปัญญาได้อย่างอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมันไม่มีวันหลงมันเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อมันไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายได้นะแต่การที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้มันก็จะต้อง ไม่ทําภารกิจอย่างอื่นนะ mm hmm. คือต้องไปอยู่แบบนักบวชนั่นเองเป็นแบบนักบวชนี้เขาไม่มีภารกิจอะไรภารกิจของนักบวชก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญานี้เท่านั้น mm hmm. เพราะว่าการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้จะเป็นที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมาจากนกระทั่งถึงเวลาหลับนี้ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเจริญสติ คอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางความอยากต่างๆพยายามดึงใจให้มาคิดในทางทางทางทางความสงบให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือให้อยู่กับคาบริกรรมอันใดอันหนึ่งเพื่อจะควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึง รูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ไปคิดไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญมสุขกัน <c oughs> แล้วเมื่อมีสติคอยควบคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิก็จะสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้ถ้าไม่มีสตินี้นั่งสมาธิไปนานเท่าไหร่ใจก็ไม่สามารถที่จะสงบได้เพราะว่าไม่สามารถหยุดความคิดได้ ท่านที่นั่งสมาธิแล้วบอกว่านั่งไม่ได้เลยเพราะใจฟุ้งก็เพราะว่าไม่ฝึกสติมาก่อนจำเป็นจะต้องฝึกสติตลอดเวลาก่อนที่จะมานั่งสมาธิถ้าเป็นนักปฏิบัติเ ป, นนปตเป็นแบบนักบวชนี่เขาจะฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยสิ่งแรกที่เขาจะทําก็คือตั้งสติก่อนอวิธีตั้งสติก็มีหลายวิธีระลึกถึงพุทธโธก็ได้หรือ ดูอิเลยาบทของร่างกายก็ได้ว่าตอนนี้ร่างกายเราอยู่ในอิริยาบทไหนอยู่ในท่านอนท่านั่งท่ายืนหรือท่าเดินให้ตั้งสติไว้ที่พุทโธก็ได้ <c oughs> ถ้าตั้งสติที่พุทโธเราก็เรียกว่าพุทธานุสติใช้พุทโธเป็นที่ตั้งของสติถ้าเราจะใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติเราก็เรียกว่ากายกตาสติกายก็คือกายนี่ เราใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติก็คือให้ใจเราผูกมัดไว้อยู่กับพุทโธหรือผูกไว้อยู่กับร่างกายถ้ามีการผูกไว้อยู่กับพุทโธมันก็จะลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้ามีการผูกมัดไว้อยู่กับร่างกายทุกอเรียบทของการเคลื่อนไหวของการกระทาใจมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าคิดได้ก็ จะคิดได้ก็เฉพาะเวลาที่เราอนุญาตให้มันคิดเท่านั้นเองถ้าเราสามารถควบคุมใจของเราให้มีสติอย่างต่อเนื่องจนเป็นสัมปะชัญญะขึ้นมาได้สติสัมปะชัญญะแปลว่าสติที่ต่อเนื่องไม่พังไม่เผลออยู่กับอยู่กับสติอย่างใดอย่างหนึง่งอยู่กับที่ตั้งสติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้ถ้าสามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับ พุทโธรู้อยู่กับร่างกายได้ตลอดเวลาแล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะพอมีสติสัมปชัญญะเวลาเรามานั่งสมาธินั่งหลับตาเราก็นั่งพุทโธพุทโธต่อไปถ้าเราใช้พุทธานุสติถ้าเราใช้กายกตาสติคือร่างกายเราก็มาดูที่ลมหายใจเขาออกเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากการดูร่างกายที่เคลื่อนไหวเพราะร่างกายไม่เคลื่อนไหวแล้ว เราก็มาดูลมแทนลมยังมีการเคลื่อนไหวอยู่อันนี้ก็เรียกว่าอานาปณะสติการดูลมหายใจเข้าออกหายหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกอไม่ต้องไปตามลมเข้าตามลมออกให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกรู้เฉยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้าคิดเรื่องอื่นก็แสดงว่าไม่คิดไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้ว แต่ถ้าเราฝึกสติมิอย่างต่อเนื่องจนเป็นสติสัมปชัญญะแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะอยู่กับสิ่งที่เราให้ใจอยู่ด้วยอยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธถ้ามันอยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่นานห้านาทีสิบนาทีใจก็รวมเป็นสมาธิรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคัตตารมสัคตาวาโร นิ่งสงบไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจมีแต่ความว่างความเย็นความสบายและอุเบกขาเท่านั้นอุเบกขานี้ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบที่เรียกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำให้กับใจให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปทางปัญญาได้ถ้าใจเรายังไม่มีความสงบไม่มีความสุขไม่มีอุเบกขา เราจะไม่สามารถไปใช้ปัญญาเพื่อหยุดความอยากได้ต้องมีสมาธิที่เย็นที่สบายที่เป็นอุเบกขาก่อนเบื้องต้นของการปฏิบัติจึงต้องเน้นไปที่การปฏิบัติสมาธิก่อนเมื่อได้สมาธิแล้วทีนี้ก็ไปเจริญปัญญาต่อไปให้เจริญไตรักให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าปล่อยได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้หลุดพ้นกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเรากระทากันในวันในวันวิสาขาบูชาและทุกๆวันด้วยคือให้เรามีการปฏิบัติบูบชาให้เราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา พอพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแต่ธรรมผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตขอให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมธรรมที่เราต้องปฏิบัติก็คือศีลสมาธิและปัญญาถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะได้ได้บูชาพระพุทธเจ้าได้รับประโยชน์ได้สิ่งที่เป็นมงคลแก่จิตใจของเรา ก็คือได้การหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวของวันวิสาขาบูชาที่เอานำเมามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็าขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญอยาขออนุโมทนาให้พร ยะธาวาเววหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวาวิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมววสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาส พิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีติขายุโกภวาอภีวาธนสิลิสะนิจจังุทธาปจายโนจะตารโหธามาวาทันติอายุวันโสุขังภาลาง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เขียนใส่ข้อความเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งมาที่เพจที่ YouTube วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ครับนรมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะพระอาจารย์ทาง Facebook มี582ท่าน ทาง YouTube 317อสิบเจท่านทางด r V c h a n ร e ว1ชาแนหนึ่งยบห้าท่านวิทีออนไลน์8ท่านครับเฮาแค่ะนาุติ318รสบปรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งสห้าสิบท่านเจ้าค่ะคำถามนถามจากทางช่องด r V c h a n ร e วชาแน กลาบนมัสการพระอาจารย์ขอเรียนถามว่าในระหว่างเดินออกกำลังกายและกำหนดเท้าซ้ายขวาที่ก้าวเดินไปด้วยเมื่อความคิดเกิดขึ้นจิตเห็นความคิดแยกออกมาแล้วดับไปเราควรดูไปเฉยๆหรือควร ค, วรคิดย้ำลงไตรลักษ์อีกต่อค ะ, อะถ้าเราฝึกสติก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรให้สนใจอยู่กับการเดินของร่างกายไป ถ้าเราต้การฝึกสติไม่ต้องไปสนใจความคิดไม่ต้องไปพิจารณาอะไรให้อยู่กับเท้าที่เราเดินไปเรื่อยๆเพื่อให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆดังนั้นถ้าเราฝึกสติก็ให้อยู่กับร่างกายไปแต่ถ้าเราพิจารณาทางปัญญาก็พิจารณาตายรักก็ได้แต่ยังไม่ถ้าพิจารณาตายรักพิจารณาเรื่องร่างกายจะดีกว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะดีกว่า ระงเรื่องมันไม่สำคัญต้องพิจารณาเราไม่ไปยุ่งกับมันเราไม่ได้ไปอยากกับมันก็ไม่ต้องไปพิจารณาอะไรพิจารณาเรื่องที่ทำให้เราทุกข์คำถามต่อไปจากคุณปฏิพัตรขอกราบเรียนสอบถามครับหากโกหกแคนกันมากมากสาบแช่งจองล้างจองผ่านกันชาติหน้ามีโอกาสกลับมาเจอกันอีกไหมครับถ้าหากไม่อยากเจอหน้ากันอีกควรทาอย่างไรครับ แต่าาเกิดถ้าไม่เกิดล้วก็ไม่เจอกันแน่นอนแต่ถ้าเกิดก็มีโอกาสห้าสิบห้าสิบบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอคาถามจากคุณจิราเมธกราบนมัสการครับมีคำถามจะรบกวนสอบถามพระอาจารย์ถ้าเราเป็นคนอารมณ์โกรธง่ายจะมีวิธีควบคุมหรือปฏิบัติตนอย่างไรดีขึ้นครับก็ต้องหัดแผ่เมตตาต้องให้อภยัย อย่าไปอ า, อาฆาตพยาบาทใครพูดอะไรใครทำอะไรทำให้เราโกรธล้วก็ยกโทษให้เขาไปให้อภัยเขาใจเราก็จะหายโกรธ ถ, ถ้าอยากจะหายโกรธต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธคือความอยากเวลานเราอยากได้อะไรพอเราไม่ได้ดังใจยอยากเราก็จะโกรธเพราะฉะนั้นพยายามลดความอยากให้ยินดีตามมีตามเกิดใครก็จะทาอะไรก็ ยินดีตามที่เขาทาเราก็จะไม่โกรธเขาคําคถามจากยูทูบ ก, กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์คําว่านิโรธสมาบัติคืออะไรครับก็เป็นสมาธิแบบที่านามขันก็หยุดทํางาน mm hmm. เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพักทํางานชั่วคราวอันนี้ก็เป็นสมาธิที่ละเอียดที่สุด น, นี่นิโรธสมาบัติ mm hmm. คำถามจากคุณเอสกราบนรมศส ก, การ์พระอาจารย์หากอยากเข้าใจธรรมะให้ยิ่งขึ้นจำเป็นต้องเรียนอภิธรรมไหมคะไม่จำเป็นหรอกเรียนแค่ศีลสมาธิปัญญาก็พอคำถามจากคุณรัชดาพระอาจารย์คะนอนฟังธรรมบาปไหมคะไม่บาปแต่ไม่ได้ความเาคารพการฟังธรรมต้องฟังในอิริยาบทที่ให้ความเคารพธรรม แต่ถ้ามีความจำเป็นเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยนอนติดเตียงอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ขาดความเคารพเนื่องจากว่าร่างกายไม่สามารถอยู่ในเรียบ ท, ที่แสดงความเคารพได้ให้ให้เคารพด้วยการมีสติฟังธรรมไปด้วยความตั้งใจแทนคำถามจากคุณวสนา น้อมกราบเรียนถามครับอาหารที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีสองมื้อคือมือที่ฉันแล้วตรัสรู้แล้วมือที่ปริทิพานกระผมอยากเรียนถามว่าพระพุทธเจ้าฉันข้าวทุกวันไหมครับน้อมกราบขอพระคุณครับ อ, อันนี้มันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่ตอบได้นะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ต้องไปถามพระ อ, อานอนท์ดู คำถามต่อไปจากคุณยานิตาถ้าอาทิตย์ไหนไม่ไปทำบุญทำไมรู้สึกไม่สบายใจคะก็เพราะว่าเรามีความสุขจากการได้ทำบุญพอเราไม่ได้ทำบุญก็เราก็จะรู้สึกขาดอะไรไปเราก็จะไม่สบายใจ <c oughs> เหมือนกับการรับประทานอาหาร <c oughs> พอเราไม่ได้รับประทานอาหารเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจ <c oughs> ะฉะนั้นก็พยายามทาไป